จากคำประรบที่กล่าวถึงภิกษุสาติเนี่ยนะผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ถือว่าผ่านไปนี่พระองค์ก็แสดงอนุสนธิขึ้นมาใหม่ในข้อ452หน้า185เอ่อเป็นการเชื่อมต่อสนอนุสนธิแปล ว, ว่าการเชื่อมเรื่องเนี่ยนะเป็นเป็นการเชื่อมใหม่เฉพาะบุคคลที่พระองค์มาแสดงอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วโลกสันนิวาสเนี่ยนะ ถือว่าโง่เขลาลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องจุติและปฏิสนธิเรียกว่าเรื่องตายเรื่องเกิดเนี่ยโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รู้เป็นที่ตั้งแห่งการเข้าใจผิดเนี่ยนะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะปฏิสนธิเนี่ยไปอย่างไรมาอย่างไรแล้วเมื่อจุติจุติจากที่นี้แล้วไปอย่างไรต่อต่อไปอย่างไรเรียกว่าลุ่มหลงในจุติและปฏิสนธิโดยปฏิสนธิเนี่ยนะปกติสัตว์ทั้งหลายก็จะ ลุ่มหลงว่าเอ้เรามาอย่างไรเราเกิดมาจากไหนอะไรอย่างไรเป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นปกติของหมู่สัตว์ทั้งหลายรพระองค์ก็เลยแสดงเทศนะอันนี้เพื่อกําจัดความลุ่มหลงของสัตว์โลกเนี่ยนะว่าให้สัตว์โลกได้เข้าใจความจริงของการเกิดขึ้นว่าวัตตะทั้งหลายเนี่ยมีอวิชชาเป็นมูลมีความไม่รู้เนี่ยนะ เป็นโหมดมันทุกอย่างมันเกิดจากความไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันในในข้อ452ห้าจึงกล่าววา่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายเพราะความประชมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการการเกิดขึ้นแห่งทารกก็มีอันนั้นก็คือมูสัตว์ที่อยู่ในคันเนี่ยนะอยู่ในคันเนี่ยมีอะไรบ้างปัจจัยสามอย่าง ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่มีฤดูไม่มีอุตุคือไข่เนี่ยนะสัตว์ที่จะมาเกิดยังไม่ปรากฏความเกิดแห่งทารกก็ไม่มีก่อนคือหมายคว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันนหะมารดาไม่มีไข่เนี่ยนะแล้วก็ปฏิสนธิจิตก็ไม่มาเกิดถ้าไม่มีอันเนี้ปัจจัยอย่างนี้ไม่พร้อมทารกก็มีไม่ได้มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดานี่มีรดูแต่สัตว์ที่จะมาปฏิสนธิในคันนั้นไม่มีความเกิดขึ้นแห่งทารกก็มีไม่ได้ก่อนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อใดามารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีรดูก็คือมีไข่เนี่ยนะไข่แล้วก็สัตว์ที่จะมาเกิดก็ปรากฏเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามอย่างนี้แลความเกิดขึ้นแห่งสัตว์จึงมีได้ น, นะเหตุปัจจัยสามอย่างก็คือหนึ่ง เธอในสอย่างปฏิเสธอันใดอันหนึ่งไม่ได้หนึ่งปฏิเสธพ่อกับแม่ก็ไม่ได้2ปฏิเสธฤดูคือไข่ก็ไม่ได้เนี่ยนะสปฏิเสธสัตว์ที่มาปฏิสนธิก็ไม่ได้เพราะะนั้นปัจจัยสอย่างนี่แหละการก่อตัวของเด็กทารกก็เกิดขึ้นเนี่ยนะวันเราจะบอกว่ากรรมของเรานําเกิดมาอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับพ่อแม่พูดอย่างนี้ไม่ได้โยนให้แต่พ่อแม่อย่างเดียวโดยไม่พูดถึงกรรมที่เราทํามาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น เคาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมอันใหม่ก็คือพ่อกับแม่เนี่ยนะอตุโภชนะเป็นต้นเนี่ยอาศัยมาจากมารดาและบิดาส่วนกรรมก็มาจากของหมู่สัตว์นั้นๆอันนี้กรรมของสัตว์เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับพ่อแม่ก็เลยสัมพันธ์การก็การเกิดในครรภ์อยู่ในครรภ์สืบเนื่องมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมารดาทั้งหลายก็รักษาทารกนั้นในท้องเอาไว้บางคนก็ สมัยใหม่ก็7เดือนนะสมัยใหม่7เดือนนี่ก็เอาออกมาอบต่อก็รอดเนี่ยนะบางทีก็7เดือนถ้าสมัยก่อนก็8เดือน9เดือนเนี่ยนะเดือนไม่แน่ว่าจะรอดหรือเปล่านะแต่ว่าโดยปกติก็ประมาณ9เดือนในรอด9เดือนถึง10เดือนเนี่ยนะเมื่อล่วงไปผ่านไป9เดือน10เดือนมารดาก็คลอดเด็กทารกผู้เป็นภาระหนักอันนั้นด้วยความกังวลใจใหญ่สงสัยก็คือกังวลใจนะก็ถามคนที่เคยเป็นแม่เนี่ย ตอนที่ลูกอยู่ในครันเนี่ยรู้สึกกังวลบ้างไหมกังวลเอ๊ะมันจะออกมาครบหรือเปล่าเนาะนจะเป็นหญิงเป็นชายแล้วมันจะสุขภาพดีไหมมันจะเจริญไหมมันจะฉลาดไหมมันจะมีปัญญาไหมอู้ยกังวลนี่ตกกังวลเราจะเลี้ยงรอดไหมนี่เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักซึ่งเกิดมาแล้วโดยสายเลือดของตอนเนี่ยด้วยความกังวลใจใหญ่เลี้ยงเลยก็ภาระไอตอนอยู่ในครันก็สาหัสอยู่แล้วใช่ไหมคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะ ก็าถามเลยหลายคนบอกว่าเออเนี่ยถ้าคุณมีลูกแล้วเท่าคนเนี่ยเอาไหมนิสัยใจคอเหมือนกันเบียวยังออกพิมพ์มาเดียวกันเนี่ยนะเอาไหมอย่งเงนะเหมือนเราทุกอย่างเลยเนี่ยนะยคิดหนักเหมือนกันนลยขอขอเวลาไปคิดหน่อยสักสามวันถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ไม่ใช้ไม่ได้เลยแหละว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าเขาบอกโอ้ยเอาเอาเอ า, เอ า, างไทยก็แปลว่าเด็กดีว่างั้นเถอะแต่ว่าโดยปกติแล้วพ่อแม่ทั้งหลายก็กังวล น, นะนะกังวลในเรื่องลูกอยู่ในครันก็ กังวลแล้วพอตอนเลี้ยงมาก็กังวลแล้วเนี่ยนะเลี้ยงกวเก่ากาจะเจริญเติบโตโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยสตทิทารกตายเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเอ่อพวกยาทั้งหลายไม่ทันสมัยกว่าจะรอดมาเป็นวัยรุ่นก็ยาไอผ่านสมัยใหม่เนี่ยนะเขาบอกผ่านวัยรุ่นรอดไหมเนี่ยเนี่ยนะที่สงสัยมากก็คือเลยวัยรุ่นได้ไหมเนี่เนี่ยนะ แต่เลยวัยรุ่นไปอีกแล้วมันจะเลี้ยงชีวิตต่อไปอย่างไรจะครองชีพต่อไปอย่างไรสรุปว่าสงสัยมีลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยนะผู้เป็นแม่สงสัยตั้งแต่อยู่ในคันคลอดมาแล้วเป็นวัยทารกก็สงสัยเป็นวัยรุ่นก็สงสัยเป็นวัยเลี้ยงดูทำมาหาเลี้ยงชีพก็ยังสงสัยเนี่ยนะก็เลยนี่แหละอย่างนี้แหละแต่ขนาดนั้นนะปีอุปชากรปีหนึ่งออกมาเยอะนะดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายน้านมของมารดา นับว่าเป็นเลือดในอริยวิไนก็คื อ, อน้ำนมเนี่ยมาอย่างไรน้ำนมเนี่ยนะในหน้าสอง้อยสองย่อหน้าบทว่าโลหิตันให้ตังพิคเวความว่าได้ยินว่าโลหิตคือเลือดของแม่ในครั้งนั้นถึงพร้อมอพร้อมแล้วถึงพร้อมซึ่งฐานะนั้นคือเป็นของขาวด้วยความศหาในบทสมัยใหม่ก็ต่อมน้านมนะต่อมน้ำนมก็กลั่นออกมาเป็นน้านมที่จริง กลั่นแล้วถามว่าไปกลั่นเอามาจากอะไรก็มากลั่นมาจากเลือดกลั่นนมีต่อมน้ํานมเนี่ยกลั่นเลือดมาเป็นน้ํานมเนี่ยนะจากสีแดงกลายมาเป็นสีขาวด้วยอำนาจของต่อมต่อมนั้ น, น, นเพราะฉะนั้นอันนี้เพราะอะไรเพราะความเสน่หา <m anda> ของมารดาที่มีต่อต่อบุตรเนี่ยนะเพราะความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยนะทำให้อะกระตุ้นต่อมน้ํานมเนี่ยทำให้มีน้ํานมขึ้นเยอะแม่หลายคนก็บอกว่าเมื่อใดที่คิดถึงลูกเมื vuelta, ่อนั้นน้ำนมจะไหลเนี่ยนะ กระว่าด้วยความรักในลูกเนี่ยนี่ก็เด็กก็เจริญตมก็บอกว่าในข้อ453ต่อไปอีกว่าดูก่อนสูจน์ทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอ่านะก็แปลว่าร่างกายเจริญเติบโตมาโดยลําดับนะกลายเป็นหนุ่มแน่นใช่ไหมตาก็ดีหูก็ดีสุขภาพก็ดีมือแขนเป็นต้นก็แข็งแรง เขาจะอยู่ด้วยเครื่องเล่นของเด็กทั้งหลายเนี่ยนะก็จะเป็นเด็กรุ่นรุ่นใช่ไหมเล่นเล่ น, ลนรายบ้างเด็กชายก็เล่นตีเหล็กเล่นไม้หึงหกเขมนกังหันตวงทรายรถเล็กธนูเล็กนี่ก็เล่นตุ๊ ก, กตาเล่นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะดูกอรพิสูจทั้งหลายกุมารคือเด็กน้อยคนอันอาศัยความเจริญเติบโตแห่งอินทรีทั้งหลายพรั่ ง, พ ร, งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าเพราะฉะนั้นจะดูก็ดูแต่รูปที่ หน้าปรารถนาหน้าชอบใจหน้าใครอ่านะน่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความรักก็จะเลือกดูเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจอันนี้คือปกติใช่ไหมปกติของสัตว์ที่เกิดมาในโลกเลือกดูสิ่งที่ตัวเองพอใจเลือกฟังในสิ่งที่ตัวเองชอบใจเลือกรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธพะ เลือกเอาส่วนที่ตัวเองโดยมากปรารถนาหน้าใครหน้าชอบใจหน้ารักประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักเนี่ย น, นะก็คือสรรหาแต่สิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าจะได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งและแต่สรุปว่าฝักใฝ่หมกมุ่นรุ่มหลงสแสวงหาสิ่งที่ตัวเองปรารถนากุมารนั้นเห็นรูปด้วยจักสุแล้วก็กำหนัดในรูปที่น่ารักขัดเคืองในรูปที่น่าชัง นะถ้าสวยก็ชอบนะถ้าไม่สวยก็ไม่ชอบอย่างงี้ยนะย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมัน่นก็แปลว่าไม่มีกายยคตาสติอะไรเลยนะไม่มีกายยัคตาสติมีจิตเป็นอกุศลไม่ทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอัลามกตามความเป็นจริง เขาเป็นผู้พร้อมอยู่ซึ่งความยินดีความยินร้ายอย่างนี้สเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรืออัทุขมสุขเพลิดเพลิพลบนบ่นถึงเวทนาเหล่านั้นอยู่เมื่อกูมานนั้นเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจในเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดเพราะความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระภเป็นปัจจัยจึงมีชาติพระชาติเป็นปัจจัยจึงมี ชรามมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้ก็แปลว่าเขามีตาก็สรรหาสร้างแต่พบชาติชรามมรณะเนี่ยนะมีหูก็สแสวงหาเสียงฟังเพื่อเจริญอะไรเจริญทำกรรมเพื่อชราชราและมรณะท่าที่จริงก็ติดใจในเวทนานะติดใจในเวทนาไอความติดใจในเวทนาความเพลิดเพลินนั้นแหละเป็น ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชรา ม, มรณะวัตทะก็ไหลไปอย่างนี้สืบเนื่องไปอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตวิถีชีวิตปกติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัส ด, ด้วยกายหรือนึกคิดธรรมมรมทั้งหลายด้วยใจก็ตามเขาจะกำหนัดในธรรมมรมณ์ที่น่ารัก ขัดเคืองหรือโกรธในธรรมรมที่ไม่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายที่ไม่ตั้งมั่นและก็มีจิตเป็นอกุศลก็คนที่ไม่ศึกษาคำสอนไม่มีศิกขาสามเนี่ยย่อมหาว่าหาได้หากุศลจากตรงไหนได้บ้างยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบชัดเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตปัญญาวิมุตเจโตวิมุตเป็นเชื่อของ พละสมาบัติเขาไม่รู้วิวัตะที่มันสงบประนีตยิ่งกว่านี้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่รู้มรรคผลเป็นธรรมที่ดับเหล่าอากุศรลธรรมอัลลามกตามความเป็นจริงมันเขาจึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้สเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีก็ย่อมเพลิดเพลินบนถึงติดใจอยู่ใน เวทนาเหล่านั้นก็ติดใจในความสุขนะความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นเพราะความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็กลายเป็นอุปาทานเพราะตัณหานั่นแหละแปลสภาพเป็นความยึดถือตอนแรกก็เพลินเฉยๆไม่มีอะไรตอนหลังก็เกิดความยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเพราะความยึดถือเป็นปัจจัยก็ทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเมื่อทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็กรรมอันนั้นก็เรียกว่าพบพบก็นําไปสู่ชาติชาติก็เป็นปัจจัยจึงมี ชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็แปลว่าสร้างวัฏฐสร้างพบชาติชรามรณะทวานตาสร้างพบชาติชรามรณะทวานหูสร้างพบชาติชรามรณะทวานจมูกทวานลิ้นทวานกายและทวานใจเนี่ยก็สร้างสร้างวัฏฐทุกทวานสร้างอวิชชาสร้างตัณหาทุกทวานทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทํากรรมเนี่ยนะ ทำกรรมมากรรมที่ทําผ่านมาทางทาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนะยึดถือสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะฉะนั้นกรรมก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติก็เป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะวิถีชีวิตในการสร้างวัตตะไม่มีจบมีสิน้นเมื่อใดเนาการเกิดขึ้นแบบนี้ประจวบเหมาะว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะนะนะใครว่าอันนี้เนี่ยความเกิดเป็นมนุษย์ดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นของญาติใช่ไหม พระองค์บอกว่าการเกิดขึ้นของมนุษย์นี่เป็นเป็นการยากเหมือนอะไรเหมือนเต่าตาบอดเนี่ยนะเหมือนเต่าตาบอดเต่าตาบอดเนี่ยนะสมมติเปรียบเหมือนปฏิพีนี้มีน้ําเป็นอันเดียวกันยกตัวอย่างสําสหรับสมัยก่อนที่คนไม่เคยเห็นทะเลเนี่ยนะก็คิดว่าทั้งโลกนี่มันเป็นน้ําหมดเลยเมื่อทั้งโลกนี่มันเป็นน้ําหมดเลยเนี่ยนะก็มีบ่วงเรียกว่าห่วงยางเนี่ยเป็นห่วงอันเดียวบ่วงตาเดียวเนี่ย แล้วก็ไอทะเลนี้มันทะเลที่มีคลื่นพายุเนี่ยนะคลื่นพายุมันก็พัดลอยพัดทิศเหนือไปสู่ทิศใต้พัดทิศใต้ไปทางทิศเหนือมันก็พัดวนพัดเวียนพัดไปเรื่อยเต่าตาบ่อร้อยปีโผล่มาทิงโผล่มาถูกสวมคอเป๊ะพอดีเนี่ยนะร้อยปีโผล่แล้วไอไอบ่วงอันนี้ก็ลอยไปเรื่อยลอยไปทั่วโลกเนี่ยนะมาประจวบกันเข้ามันยากฉันใดการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ก็ยาก ฉันนั้นเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่ามีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งหรือมีเต่าตัวหนึ่งเนี่ยนะโผล่สีสันอยู่กลางท่ามกลางทะเลลึกเนี่ยนะโชชูหัวนี่ขึ้นเลยลอยแล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยนะโยนบ่วงจากทิศตะวันออกมาสวมคอเต่าตาบอดตัวนั้นพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยยากความเกิดเป็นมนุษย์ยากฉันนั้นแล้วก็มีชายอีกคนหนึ่งเนี่ยนะอยู่ด้านทิศใต้โยนบ่วงอีกอันหนึ่งเนี่ยนะ มาสวมคอเป๊ะอันนี้ยากที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเป็น น, นี่เป็นข้อที่สองแล้วอยู่ที่ตะวันตกเนี่ยนะโยนบ่วงเข้ามาอีกแล้วมาสวมคอยากพอๆกับได้การการได้ฟังธรรมแม้คนที่เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเกิดยากโดยส่วนตัวนะไม่ใช่ว่าพูดประชากรโดยรวมแต่พูดลำพังตัวเนี่ยพูดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยเนี่ยนะเช่นโอกาสไหนอะไรมั่งเป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์สอ ง, สองเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะ มาเกิดในสมัยที่มีคําสอนเป็นข้อที่สองเรียกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสมมติถ้าเราเกิดก่อนหน้านี้สามพันปีล่ะถ้าอีกสี่ห้าพันปีข้างหน้านมาเกิดอีกล่ะอยู่ที่ไหนคะนี้จะเห็นพระพุทธเจ้าไหมหรือไปเกิดผิดประเทศเข้าล่ะนี่ต่อไปสองเมื่อเกิดแล้วได้ฟังธรรมวิถีชีวิตบางคนเนี่ยโอ้ยแต่เหตุระเฮเรเ่ร่อนไปทั่วไปหมดประวัติจะได้ฟังธรรมเนี่ยยากแท้เนี่ยนะและสามฟังแล้วจะเข้าใจ ฟังแล้วที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยนะยากเหลือกเกินเนี่ยนะ